ก็ความจเจริญในธรรมจงมีแด่ท่านผู้ฟังทั้งหลายแต่หลวงปธิยากนกำลังนำเสนอจุดเด่นที่ควรสนใจในปฏิจจสมบาติหรือปัจจัยาการสืบต่อกันมาตามลำดับกำลังปรากถึงมูลเหตุหลักสองประการก็เรียกว่าอาดีตก็คืออวิชากับปัจจุบันเหตุก็คือตัณหา ซึ่งจะยังไงก็ตามในปัจจุบันเราก็มีครบทั้งสองอย่างคือทั้งอิชาและตัณหาถ้าเรามองจากโครงสร้างของการปฏิบัติธรรมที่พระพุทธเจ้าทรงแสดงโดยสรุปไว้เป็นใจศีขาคือสีนสมาธิปัญญาเนี่ยเป็นท่าทีที่บุคคลแสดงออกต่อสิ่งที่นอกจากตัวเองออกไป จึงจะกลายเป็นการผิดศีลแต่ถ้าเรามองถึงความจริงว่าสิ่งที่นอกจากตัวของเราเนั้นก็เป็นสิ่งมีชีวิตกับไม่มีชีวิตเรียกรวมรวมาสังขารที่มีใจครองกับสังขารที่ไม่มีใจครองถ้าว่าบุคคลสามารถพัฒนาปัญญาของตัวเองขึ้นไป ยังน้อยอยู่ในระดับของการสามารถใช้เหตุผลได้คือช่วงเชื่อมโยงเหตุกับผลเชื่อมโยงผลกับเหตุได้ว่าใครเป็นใครอะไรเป็นอะไรแล้วใครเป็นของใครอะไรเป็นของใครก็สามารถจะยุติปัญหาในรูปอัจยากรรมต่างลงไปได้ เพรุณลักษณะของความเป็นมนุษย์จึงเป็นอาการของปัญญาที่พัฒนาขึ้นมาได้ระดับหนึ่งก็เรียกว่าระดับที่สามารถจะอยู่ร่วมกันโดยสันติสุขได้หรือสร้างสังคมสันติ ข, ขึ้นมาได้เพราะคําคำว่ามนุษย์ในกรอบของพระพุทธศาสนานั้นนิยามไว้เป็นสองความหมาย แต่ว่าเป็นอาการที่สืบเนื่องกันนั้นก็คือมนุษย์คือสัตว์ที่มีใจสูงสัตว์ใดที่มีใจสูงสัตว์นั้นชื่อว่ามนุษย์ก็สูงเหนืออะไรหรือสูงกว่าอะไรก็สูงกว่ากิเลสและอกุศลทั้งหลายนี่เอง คือหมายความว่าพฤติกรรมที่แสดงออกทางกายทางวาจาของคนระดับมนุษย์คือเกณฑ์ของมนุษย์เนี่ยจะไม่ทำอะไรไปตามอำนาจของกิเลสประเภทจัดจัดนะฮะประเภทจัดจัดที่มีการประทุษรายต่อสิ่งมีชีวิตรหรือสิ่งไม่มีชีวิตซึ่งสรุปรวมอีกทีหนึ่งก็คือสังขารจากข้างนอก ผโดยอาศัยโครงสร้างของศีลจะเอาห้าไดจะเอาแปดได้จะเอา 5, เท่เาไรก็ตามเราเอาขนาดท่านะให้เราสังเกตว่าในศีลห้านั้นมีสิ่งมีชีวิตกับไม่มีชีวิตสี่งข้อที่หนึ่งกคารพสิทธิในชีวิตแล้วก็ไม่ร่วงละเมิดกันอาการเหล่านี้แสดงถึงอาการไม่โลภหรืออาการไม่โกรธ แต่ที่แน่นอนที่สุดก็คือมีปัญญากํากับอยู่อย่าน้อยระดับที่ไม่ละเมิดศีลหละอทินานั้นอทินาฐานคือทรัพย์เนี่ยมันมีทั้งสังหาริมทรัพย์และสังหาริมทรัพย์คือเคลื่อนที่ได้เคลื่อนที่ไม่ได้ก็แสดงว่ามีทั้งสิ่งมีวิญญาณแล้วก็ไม่มีวิญญาณเพราะในตัวทรัพย์เนี่ยถ้าว่าบุคคลก็จะโทสะในตัวคน แล้วก็พัฒนาขึ้นไปเป็นอโทสะคือความไม่ประทุษร้ายเอาขนาดไม่ประทุษร้ายนะฮะไม่ต้องเอาถึงเม่ตาหรอกมันก็ยุติการเบียดเบียนประทุษร้ายในทรัพย์สินเขาได้เพื่อเพื่อเราไม่ประทุษร้ายคนก็แสดงว่าใจเราก็ไม่ตาหวังดีต่อคนอยู่ระดับหนึง่ง ก็ย่อมไม่ประทุษร้ายต่อทรัพย์สินของเขาไม่ว่าจะเคลื่อนที่ได้หรือเคลื่อนที่ไม่ได้ก็ตามพอมาถึงคุกครองก็คือเรื่องของชีวิตนั่นแหละแต่เมื่อมองจากคนอื่นช่านนายก็กับนางขอเป็นสามีภรรยากันนางขอก็เป็นทรัพย์ของนายกนาย ก, ก็เป็นทรัพย์ของนางขอแล้วก็ถือว่า สตินั้นเป็นทรัพย์หรือเป็นพันธะอันสูงสุดเพราะเราจะมองในแง่ของเมตตก็ได้นะจะมองในแง่ของอารมะก็ได้ก็สามารถจะยุติการรุ่มละมิดในทางประเวทีได้กมายความว่าปัญญาเห็นโทษของความกำหนัดกล้าที่เกิดขึ้นภายในจิตอารมณกล้าที่เกิดขึ้นภายในจิต หรือมีเมตตาต่อตัวคนนั้นหรือว่าคู่ครองของเขาก็จะเชื่อมโยงถึงกันในการสื่อสารติดต่อ น, นั้นแน่นอนเป็นคนแต่เราสามารถที่จะรักษาระดับจิตได้อยู่ในขั้นของเมตตาวิจิกรรมคือจะพูดอะไรที่เกี่ยวกับคนก็ให้พูดด้วยเมตตามันก็สามารถที่จะแก้ปัญนหนาได้ ในสิ่งเสพติดนั้นที่จริงมันเป็นอาการของโลคแบบโมโง่แบบมแมลงเม่าที่เบียงข้ากองไฟตอนถ้าใจิตใจมันสูงพอมันก็รู้ว่าอะไรขวดอะไรไม่ขวดคื อ, อยาเสพติดไม่ได้วิ่งมาหมามนุษย์แต่มนุษย์วิ่งไปหามันเอง แล้วก็ทำด้วยกรรมวิธีของตัวเองทั้งหมดเนี่ยพิษสงของมันจึงออกมาได้ไม่ว่าจะด้วยการสูบด้วยการดมด้วยการฉีดด้วยการทำยังไงก็ตามคือสรุปประวัติธรรมเราเองต่คนที่ใจสูงนี้เขาไม่ประทุษร้ายตัวเองนั้นก็แสดงว่าเกณฑ์ขนาดนี้หมายความมันไงหมายความอาวิชชามันลดลงตนามันลดลง ก็สามารถควบคุมพฤติกรรมของตัวเองไว้ได้วิธีทำอย่างไรว่าให้ใช้เหตุผลสติปัญญาเวลาสัมผัสการมุมคือให้ชัดเจนในขณะนั้นๆอะไรเป็นอะไรใครเป็นใครซึ่งตามปกติแล้วเราก็ใชยย้อยู่นะเพียงแต่พอบางกรณีมันเกิดไม่พอใช้ขึ้น เช่นในขณะที่รับประทานอาหารนั้นเรามีทั้งใจสูงและเรามีทั้งรู้ว่าอะไรเป็นประโยชน์และไม่เป็นประโยชน์คือมีคุณลักษณะของความเป็นมนุษย์อยู่การที่มีใจสูงก็รับประทานอาหารด้วยความสุภาพเรียบร้อยไม่ตะกะตะกรามไม่หมุมหมามไม่สกปะเปลืกเปื่อนการที่รู้ว่าอะไรเป็นประโยชน์ไม่เป็นประโยชน์ก็มีการเรืองเฟ้น อันนั้นเป็นกากระ น, นั้นเป็นกระดูกกัะ น, นั้นเป็นสิ่งที่ไม่ควรกินและนั้นมีไขมันมากอะไรแต่ไหนเนี่ยมันก็มีปัญญาเข้ากำกับลงทุกท่าจะเห็นว่าแนวตรงนี้สัตว์ดิบสารนี่เขาแยกไม่ออกเด๋กวก็กินอะไรเขากินกินไปเลยแต่ก็ดีเครื่องหนเขาย่อยได้มนุษย์นั้นแสดงให้เห็นถึงพัฒนาการของปัญญา ก็แสดงว่าลดอวิชชาลงไปเมื่อวิชามันลดตัณหาก็ลดอุปาทานก็ลดนะพบมันก็อันนี้ขึ้นหมายความว่าตัวสังขารก็จะเป็นบุญมากยิ่งขึ้นในชีวิตประจำวันของเราที่เราพบเป็นว่าปัญหาต่างๆที่เกิดขึ้นนั้นมันแสดงให้เห็นถึงอาการเข้มข้นของอวิชชาเก่าเข้มข้นของตัณหาแล้วก็อย่างอื่นก็ไม่ต้องห่วงลวมันก็เข้มข้น มันเหมือนกับน้ำที่ขุ่นข้นซึ่งไหลลงมาจากทางเหนือมาผ่านกรุงเทพมันก็ข้นนะเพะกรุงเทพก็มีสิ่งที่ขุ่นข้นออกไปจากคลองเล็กคลองน้อยนะีย่เยอะไปหมดเป็นไปไม่ได้ที่จะให้มี้ําใสแต่ถ้าหากว่าข้างบนมันใสมาไม่เจอความขุ่นข้นขึ้นมามันก็สามารถสลายขึ้นลดความเข้มข้นในเจือจางลงไปได้ ควกระแสจิตกระแสอารมณ์กระแสสังคมถ้าหากว่าตัวจิตมีปัญญาเข้ากำกับกิเลสอย่างอื่นที่นับตั้งกิเลสพันห้าตนะร้อยแปดอะไรก็ช่า ง, งนะ่ะมันจะถูกควบคุมไว้ด้วยการรู้ว่าอะไรเป็นประโยชน์และไม่เป็นประโยชน์ความความหมายความหมายหนึ่งของคขบวนมนุษย์ก็คือสัตว์โลกที่ รู้ว่าอะไรเป็นประโยชน์และไม่เป็นประโยชน์เพราะแนวประญญาทั้งถึงพูดโดยสรุปมนุษย์ก็คือสัตว์โลกที่มีเหตุผลแต่ลองสังเกตว่าไอ้เกณฑ์มาตรฐานตรงนี้มันไม่สาธารณาทั่วไปแก่คนทั้งหลายเวลาเกิดปัญหาต่างๆขึ้นมามันก็มักใช้อารมณ์คือไม่ใช้เหตุผลจะวังก่อนอ่านบทนำก่อนั้งซื้อพิมพ์ฉบับหนึ่ง คือรู้สึกว่าเขาอยาก จ, จับพระศึกเสลเกินนะบอกถ้าหากว่าประสิทิ์ยากอย่างนี้แล้วจะมีปัญหาอย่างนั้นอย่างนั้นอย่างนั้นซึ่งก็ถือว่าเป็นความคิดที่แปลกเพราะเราเคยสังเกตว่าหนังสือพิมพ์ฉบับนี้ไม่เคยเขียนถึงพระในเรื่องดี<ๆ>ก็จะเขียนในเรื่องที่สร้างเรื่องสร้างไรแต่ไรขึ้นมามากมายแล้วก็ชอบเล่นข่าวพระในทางที่ไม่ดี ปราชิชจะยากหรือง่ายนี่พระพุทธเจ้าสรงบัญญัติไว้โดยการจะเป็นประราชิกมันก็มีเกณฑ์ของมันเพราะมันเป็นกรรมแล้วกรรมที่ก็เรียกว่าสจิตกะคือต้องจงใจต้องมีเจตนาแล้วท่านต้องทาเองนะฮะกรรมนี่ทุกคนต้องทำเองมันไม่ใช่ว่าใครว่าเราผิดแล้วเราต้องผิดตามนั้น มันก็มีองค์ประกอบของมันจะยกตัวอย่างว่าศีลขอ้อปานาติบาตเนี่ยมันจะยากหรือง่ายละ่ะการง่ายก็หมายความเราบาปทุกวันไลยเราเดินก็บาปนั่งก็บาปนอนก็บาปเพราะเราต้องไปเหยียบโอสัตว์ไปถูโอษฐ์เล็ก ๆ, ๆน้อยๆตลอดนั่งไปในรถมันก็ต้องรถที่ขับไปเนี่ยต้องทับสัตว์อะไรตัวเล็กตัวน้อย แต่ว่าเกณฑ์กําหนดความเป็นบาปจึงอยู่ที่เจตนาคือความจงใจความตั้งใจที่พระเจ้าทรงแสดงว่าดูก่อนภิกษุทั้งหลายเราเก่าเจตนาว่าเป็นกรรมเพราะงั้นจะถือว่าท่านฆ่าสัตว์ได้เนี่ยกว่าต้วหนึ่งสัตว์นั้นต้องมีชีวิตสองเราต้องรู้ว่าสัตว์นั้นมีชีวิตสามเราต้อ ง, งตั้งจิตคิดจะฆ่าสี่ต้องทําความพยาพยามที่จะฆ่าแล้วก็ห้าสัตว์นั้นตายด้วยความพยายามนั้น ปีนี้ความมรสีนของพระเนี่ยเราจะเห็นว่าเป็นศีลชั้นสูงมันไม่ใช่ศีลสามัญทีนี้เราเนี่ยเป็นสามัญชนเราก็พูดถึงศีลที่เรารักษาไม่ได้แล้วก็พยายามที่จะสร้างเงื่อนไขสร้างกฎหมายขึ้นมาลงโทษพระซึ่งรักษาศีลเหนือกว่าตนเองฮะศีลประเภทเสพเมถุนไม่ได้เสพศีลประเภทนั่งตอบกับผู้หญิงสองต่อสองในที่ลับไม่ได้ ศีลประเภทจับต้องกายผู้หญิงไม่ได้ศีลประเภทพูดเกี่ยวหญิงไม่ได้เนี่ยเป็นศีลไม่ใช่ศีลสามัญมนุษย์มันเป็นศีลของนักบวชเป็นศีลประเภทที่เรียกว่าเป็นปนัญติวัชชาเป็นระบบพัฒนาจิตใจของศาสนพพระุทธศิกในรพในระพุทธศาสนาเนี่ยเพราะเราลองสังเกตว่าที่เรามาพูดเป็นข่าวเป็นคราวที่เรามาพูดเนี่ยมันไม่ใช่ชาวบ้านผิดชาวบ้านทําไม่มีอะไรผิดหรอก แต่เป็นผิดในกรณีของนักบวชซึ่งเขาสมัครบวชเข้าไปจะโดยศรัทธาหรือไม่ศรัทธานั้นเป็นรายละเอียดแต่ว่าโดยทั่วไปเนี่ยคนคงไม่มีเจตนาจะเข้าไปทำลายศาสนาหรอกแต่ว่าเขาพ่ายแพ้ใจเขาเองเมื่อพ่ายแพ้ก็คัดออกอย่างที่บอกไว้้วเราก็ใช้ใช้โมห oh ะ คือความหลงไม่เข้าใจทั้งเหตุผลว่าถ้าเราไปอยู่ในจุดนั้นเราแน่ใจว่าเรารักษาบริสุทธิ์หมดจดได้หรือเปล่าสถานการณ์ในชีวิตมนุษย์มันไม่มีใครแน่นอนหรอกคือศาสตรใดที่ยังไม่บรรลุโสดาปฏิผลนั้นอย่าพึงถึงความไว้หวางใจว่าตัวเองเก่งในสถานการณ์ปกตินั้นมันก็อาจจะอยู่ได้นะแต่เราอย่าลืมว่าอารมณ์บางทีมันมีการรั่วยวนมันมีการรั่วยุ แล้วก็ซ้ํำซากจิตใจเราไม่เข้มแข็งพอเนี่ยอย่างที่เขาบอกว่าน้ําหยดตงหินทุกวันหินมันยังกร่อนหัวใจอนอด่อนก็เตอบทาด้วยสิ่งใดเนี่ยมนุษย์เนี่ยมันอยู่ในกา마ว จ, จรภูมิอย่างที่ว่าไว้ก็คือตัณหามนุษย์มีวิชาแล้วก็มีตัณหาถ้าเรายังดับวิชาไม่หมดอย่าไปคิดหวังนะอย่าไปคิดหวังว่าเราจะ ไม่ประพฤติผิดในเรื่องเหล่านั้นแล้วอย่าลืมมัสยิของพระเป็นศีลฉันว่ากินข้าวเย็นไม่ได้เนี่ยไม่ใช่ศีลสูงเป็นศีลระดับไม่ใช่สามัญมนุษย์ทั่วไปที่เขารักษากันก็รักษาเป็นเครื่องมือในการขัดเกลาก็คือถ้าเราจะถามมัสยิดศีลข้อที่หกเนี่ยที่ไม่บริโภคอาหารในเวลาปีกาเนี่ยทําไมล่ะมันเป็นบาปอะไรแต่กินข้าวเย็นเน่ยมันไม่ได้บาปแต่ว่า เนื่องจากท่านรักษาศีลข้อที่สามเนี่ยห้ามการมีเพศสัมพันธ์ไม่ใช่ห้ามระดับกามีเตมิจอาจารย์นะฮพวกกามีเตมิจอาจารย์กินข้าวได้เพราะต้องเสพกามแต่ว่าคนที่รักษาศีลแบบพรหมจรรย์นเนี่ยไปบำรุงร่างกายมากไม่ได้มันไปเพิ่มความกำหนัดในทางเพศและจะคุมศีลข้อที่สามไม่ได้พระเจ้าชึง ส่งบัญญัติศีลพวกนี้ก็เรียกเป็นอุปการะคือไปส่งเสริมสนับสนุนชีวิตพรหมจรรย์แล้วก็รักษากันไปนะเจ่นเช่นอะไรศีลแปดข้างหลังเนี่ยศีนแปข้างหลังที่จริงมันมีสี่ข้อนะแต่เ้ายุบรวมกันไว้สองข้อคือข้อนัตจะขีข้อมาราเนี่ยยุบรวมกันไวยก็กลายเป็นคล้ายๆกับศีลสามข้อแต่จริงมันนี่จะสี่ข้อทั้งหมดไม่เป็นบาป ในแง่ของสามัญมนุษย์ในแง่ของสากลนะฮะแต่ว่ามันอาจจะเป็นสื่อให้เกิดการทาบาปกัการบัญญัติกับบัญญัติแบบตัดไฟแต่ต้นลงเอาไว้แล้วสีมิจะประนี่กันไปเรื่อยๆเนี่ยอย่างนี้อย่างว่าพระนั่งในที่รับตารับหูกกับผู้หญิงสองต่อสองไม่ได้มันมีที่ไหนในโลกนี้นอกจากนักบวชในพระพุทธศาสนาสองประเภททานั้นเอง คือภิกษุกับภิกษุณีเท่านั้นในโลกเนี้นะครับตอนคนจำนวนนี้มันมีทักสองล้านได้หรือเปล่าตัวโลกไม่ถึงยังนึกว่าล้านหนึ่งยังไม่ถึงด้วยซ้ําไปนะฮรเป็นบุคคลที่เข้าไปรับปฏิบัติกฎเกณฑ์ชั้นสูงวันจึงมาใช้อารมณ์แบบปุถุชนเนี่ยไม่ได้เราต้องดูว่าข้อเหล่านี้เราเคยปฏิบัติได้หรือเปล่าเราปฏิบัติหรือเปล่า เมื่อท่านผิดมันก็ผิดในแวดวงของท่านที่จะาชาวบ้านมาควบคุมความประพฤติของพระนะชาวบ้านรักษาศีลกี่ข้อมันแยกไว้ชัดเจนเราจะเห็นว่าไม่ได้สอนให้ชาวบ้านมาควบคุมความประพฤติของพระพระมีอาจารย์มีอุปชามีตัวท่านเองมีเพื่อนสัะมาจารีมันวางกฎเกณฑ์ควบคุมไม่เยอะแต่อย่าลืมนะว่าเหตุการณ์บางเรื่องเนี่ยมันเป็นไปไม่ได้หรอก เช่นในเหตุการณ์ในเกิดตามบาร์ตามผับตามบ้านเนี่ยพระอะไรจะไปเห็นนะพระจะไปเที่ยวซอกแซกในที่นั้นได้งไงคือไม่นึกว่าโดยสถานภาพของพระเนี่ยพระไปเห็นเหตุหการณ์ลักษณะอย่างนั้นไม่ได้แล้วพอไปในสถานที่เหล่านั้นไม่ได้มันเป็นอโคุจรมันเป็นเรื่องของคนที่ไม่ละอายบาบางคนแต่ น, นั้นเองซึ่งในแง่ของ วินัยก็ว่ากันตามวินยัยแต่วิธีการศาสนานั้นมันไม่ใช่วิธีการในการฆ่าทิ้งนะในการฝึกปลือคนหกลม้มหกลุกปั้มผีลุกปลุกผีนั่งกันไปเรื่อยๆเราลองดูพระเทวทัตเก็บป่วนศาสนาเสียเท่าไหร่มันก็ต้องประคับประคองรักษาไว้อย่างน้อยที่สุดนี่จะได้อุปนิสัยปัจจัยในการสํานึกบาป แล้วก็สํานึกคุณของพระพุทธเจ้าโอกาสต่อไปท่านจะเป็นพระปัิเจกพระพุทธเจ้าชื่ออภิสระเพราะในแนวฝึกคนนี้คิดแบบสามัญมนุษย์ไม่ได้แล้วคิดแบบนักหนังสือพิมพ์ไม่ได้มันไม่มีใครที่เราจะทําอะไรได้เมื่อเราตีเหล็กเพื่อนํำไปสู่ความเป็นมีดนี่เหล็กมันไม่มีชีวิตนะเราต้องผ่านขั้นตอนกันตั้งเยอะเลย ว่าจะเป็นมีดขึ้นมาได้มันจะเอาครั้งเดียวมันมันเปิดปุ๊บติดปักนันเป็นไปไม่ได้เพราะลักษณะเหล่านี้เราเห็นว่าพูดด้วยอำนาจของอวิชชาตัณหาคือไม่มีเหตุผลในการมองว่าถ้ามนุษย์สําเร็จรูปมาอย่างนั้นก็ไม่ต้องมีกฎเกณฑ์อะไรไม่ต้องมีกฎไม่ต้องมีศีลไม่ต้องมีกฎหมายไม่ต้องมีระเบียบแบบแผนอะไรเลย แล้วถ้าผิดค่าทิ้งผิดค่าทิ้งก็ไม่มีคนในโลกนี้เพราะไม่มีใครที่ไม่เคยผิดมันมีมาแต่การของเขาในกฎเกณฑ์ข้อกำหนดซึ่งถ้าหากว่า ร, ร, รยอมรับในในกฎของความจริงนี้พระพุทธเจ้าทรงมีสัพพัญญุตยานทรงบัญญัติสิกขาบทไว้สี่ประการเนี่ยไม่ใช่เรื่องใหญ่ไม่ใช่เรื่องเล็กนะรุ่นใหญ่ทีเดียว แล้วถามว่าทำไมได้เป็นข่าวเป็นข่าวทำอะไรคือการที่เขาจับพระศึกนี่ศึกกันตลอดระยะเวลาแหละปีหนึ่งถ้าลงท่าเบียนเอาไว้เนี่เรียกว่าเป็นสิบสิบรูปบางปีอาจจะเป็น100 100ร้อยร้อยได้ทงไปแต่ถ้าร้อยเนี่ยมันต้องมีพระบรอมนนะ่ๆเพราะตอนปกติแล้ว น, น, นานๆจะมีมัดปัญหาขึ้นมาสักทีหนึ่ง เขาห้ามพระมาะให้บอกอาบัติชั่วยาบของภิกษุอื่นแก่ชาวบ้านแต่คืนไปบอกนะต้องอาบัติมันต้องรู้วินัยของพระด้วยพูดอะไรอะ่ะทําไมพระไม่พูดก็พูดไม่ได้ไงมีนัยเขาบัญญัติเอาไว้แล้วมันเป็นการอะไรเป็นการซ้ําเติมคนที่เขาล้มมันแสดงถึงผู้หญิงสาเกีับความเบียดเบียนซึ่งไม่ใช่จิตของมนุษย์ปกติ ที่เบียดเบียนะเป็นจิตแบบสัตว์ที่ไรฉานไม่จะจิตแบบมนุษย์ไม่เราจะเห็นกฎเกณฑ์ของธรรมะทันทีแหละทําไมพระพุทธเจ้าห้ามบอกล่ะเพราะว่าเขาหกล้มไปแล้วเขาพลั้งพลาดไปแล้วจะโดยสารทำบาป ท, ทําไมเรามันไม่ได้เพิ่มบาปอะไรให้แก่เขาเขาก็บาปเท่านั้นแหละแต่ถ้าเราไปบอกเราไปประจานเนี่ย เขาไม่ได้คนเดียวเขามีญาติพี่น้องมีวงศากันนะญาติคือหนังสือพิมพ์เนี่ยเขาได้เงินนะเขาลงข่าวใครเขาไม่ต้องคานึงญาติพี่น้องก็จะรู้สึกยังไงเนี่ยเขาไม่ได้คิดแต่ว่าคนที่มีเมตตาจิตนะ่มันต้องมองอะต้องมองว่าตรงนี้มันมันนอกเรื่องแล้วมันดึงคนอื่นเข้ามาร่วมรับความทุกข์ ในแนวคล้ายๆกันนี่แหละนแนวคล้ายๆกันสมัยโบราณที่ว่าใครทําผิดสักคนหนึ่งเอามาค่าเจ็ดชั่วโคตรให้สกุลเดียวกันเนี่ยนั่นคือความเบียดเบียนความไม่มีเหตุผลมนุษย์คือสัตว์โลกที่มีเหตุผลมนุษย์คือสัตว์โลกที่มีใจสูงมนุษย์คือสัตว์โลกที่แยกแก้ได้ว่าอะไรเป็นอะไรมันจะขีดวงของปัญหาเอาไว้ไม่ให้กระจายไม่ให้เปื้อนมากคือเอาเฉพาะที่มันเป็นปัญหาจริงๆ มันเหมือนกับเนื้อร้ายที่เกิดขึ้นในตัวนี่มันตัดออกเฉพาะเนื้อร้ายนะไม่ใช่เอาเนื้อคนมาชำระหมดทั้งตัวอั น, นี้คือความคิดแบบมนุษย์เราจะเห็นว่ามันต้องลดทุกอวิชชาลงไปต้อตนหาก็จะลดแล้วก็ปัญหาจะน้อยลงปัญญาก็จะเพิ่มขึ้นจะวิเคราะห์วินิจฉัยจะเข้ารบอยู่กรอบตรงนี้เป็นอำนาจหน้าที่ของใคร คือถ้าเราจะส่งเสริมสนับสนุนในกิจกรรมโดยเฉพาะการฝึกปรืออบรมเนี่ยนะฮะพระเนนที่เข้ามาเรามีกิจกรรมที่ฝึกปรืออบรมเรามีปัญหาจะต้องหาทุนหารองในการดาเนินกิจกรรมเราต้องการเอาเด็กมาเข้าไข่พุทธบุตรพุทธธรรมฝึกปลืออบรมแต่ละอย่างนี่ต้องทําเองต้องหาเงินหาทองแล้วพวกสื่อสารมวลชนเนี่ยก็ไม่เคยช่วยหรอก เวลาเราจะสร้างสารรค์พัฒนาทำไมไม่ช่วยล่ะคือถ้าเราช่วยกันทั้งสองอย่างฮนะก็เรียกว่าขาจัดผ่านประสานมิตรประสิทธิธรรมขจัดผ่านก็ต้องช่วยกันขจัดประสานมิตรสร้างความเป็นอันหนึน่งอันเดียวกันก็ต้องสร้างประสิทธิธรรมคือประสาธทธรรมส่งเสริมสนับสนุนให้ความรู้ความเข้าใจก็ต้องทำนั่นคือแสดงว่าใจมันสูง จะมีเหตุมีผลแล้วก็แยกแยะได้อะไรเป็นประโยชน์อะไรไม่เป็นประโยชน์อะไรเป็นบาปบุญคุณโทษดังกล่าวซึ่งแน่นอนนั่นคืออวิชชาต้องลดลงตฐานะต้องลดลงทั้งฝั่งทั้งหลายแต่ลรลวงพ่อพุทธญาณในวันนี้ขอยุติไว้ด้วยเวลาเพียงเท่านี้ที่สุดนี้ขอความเจริญงอก ง, งามไปบูุญในธรรมจุมิตรท่านผู้ฟังทั้งหลายโดยตัวกันสวัสดี